ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนวิถีแห่งเตา๋าในวันที่งงๆกับชีวิต มันลอยเคว้งคว้างอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจำวันนั้นได้ดีขณะนึกสนุกหยิบหนังสือวิถีแห่งเต๋าออกมาจากหิ้งในห้องสมุดของโรงเรียนเซนจอนเป็นความรู้สึกสะเทือนคล้ายเกิดแผ่นดินไหวขึ้นน้อยๆ อ, อ, อ, อ, อยู่ข้างในและผุดความคิดในหัวบอกตนเองว่าการเอื้อมหยิบหนังสือแค่เล่มเดียวอาจเป็นก้าวแรกของชีวิตอีกแบบหนึ่งก็ได้ ความรู้สึกต่อความคิดที่คล้ายสังหรณ์นั้นคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสังหรณ์ของคนเราแม่นได้ก็มัวได้ทว่าความคิดนั้นก็ทำให้ผมตื่นเต้นกว่าการอ่านหนังสือเล่มใหม่อย่างเคยเมื่อมานั่งลงที่โต๊ะและพลิกอ่านแค่บทแรกตัวหนังสือก็สร้างความตะลึงงานให้กับผมชนิดที่เกิดมาไม่เคยพบจากไหนมาก่อนนั่นคือ เตาที่อธิบายได้มิใช่เต๋าอันอันมะตะัที่ตั้งชื่อให้กันได้ก็มิใช่ชื่ออันสูงส่งเต๋านั้นมิอาจอธิบายและมิอาจตั้งชื่อเมื่อไร้ชื่อทำฉันใดจักให้ผู้อื่นรู้ข้าพเจ้าขอเรียกสิ่งนั้นว่าเต๋าไปพลาง ในการเริ่มต้นหนังสือหรือคำพีใดๆหากคุณสร้างความงุนงงให้คนอ่านในแบบที่จะทำให้พวกเขาอยากติดตามคุณไปจนกว่าหายงงได้ก็นับว่าคุณประสบความสำเร็จเกินครึ่งในการเขียนหนังสือหรือคำพีเล่มนั้นแล้วท่านเหล่าชื้อผู้รจนาคำพีเต๋าเตกเก่งอาจไม่มีเจตนาเรียกร้องความสนใจจากใครท่านก็แค่เริ่มเขียนตามความปรารถนาของท่านคือถ่ายทอดสิ่งที่ท่านประสบมาให้คนอ่านรับ ส่วนคนอ่านจะรู้ตามหรือไม่ก็พ้นไปจากความสนใจของท่านแล้วการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้คนอื่นรู้ตามไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวขอให้นึกถึงอากาศว่างที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาตรงหน้าคุณแล้วลองเขียนอธิบายเกี่ยวกับอากาศว่างนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัว แม้จะเห็นอากาศว่างอยู่กับตาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายนะครับที่จะพูดถึงมันคุณต้องใช้ภาษาเป็นแล้วก็ต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์พอควรจึงอาจกล่าวถึงอากาศว่าเป็นช่องว่างหรือที่ที่ว่างเปล่าอันเป็นต่างหากจากบรรดาสสารที่จับต้องได้ทั้งหลายหรือหากจะอธิบายเป็นรูปธรรมชัดเจนและเจาะจงขึ้นก็อาจกล่าวว่า อากาศเป็นแก๊สผสมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกี่ยวข้องกับอากาศในเรื่องของการหายใจเป็นสำคัญแม้จะกล่าวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามคุณยังได้ชื่อว่าพูดถึงอากาศไม่ครบถ้วนอยู่ดีมีแง่มุมต่างๆอีกมากมายที่จะให้พูดถึงอากาศได้ไม่รู้จบ เช่นด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์เราต้องทำความเข้าใจว่าอวกาศหรืออากาศนอกโลกนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับการเวลาเพื่อให้เข้าใจตรงนี้กระจางขึ้นก็ต้องหาเรื่องหน้าทึ่งมาแสดงกันหน่อยทราบไหมครับว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์พยากรณ์ไว้อย่างไรคุณจะเชื่อไหมเราว่าวัตถุขนาดใหญ่ เช่นดาวเคราะห์นั้นทุกขณะที่หมุนรอบตัวอยู่จะลากพาเอาอากาศและเวลาตามตัวไปด้วยไม่ต่างอะไรกับลูกบาส ท, ที่กลิ้งไปก็พ่อโครนเหนียวติดผิวมากขึ้นเรื่อยๆการพยากรณ์ของไอสไตน์เพิ่งได้รับการพิสูจน์เมื่อเดือนมีนาคมปี1998นี่เองกล่าวคือ เมื่อองค์กรนาซาวัดระยะวงโครจรของดาวเทียมสองดวงเป็นหลักฐานอย่างละเอียดทุกปีก็พบว่าดาวเทียมของตนห่างขึ้นจากเดิมไปเรื่อยๆ6ฟุตต่ตอปีทั้งที่ตามหลักการมันควรจะอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดไปและมันจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้เลยหากอากาศและเวลาเป็นสิ่งแยกต่างหากจากกัน สรุปแล้วอากาศเป็นสิ่งลึกลับกว่าที่คุณคิดใช่ไหมครับพวกเราพากันนึกว่าเห็นและพูดถึงมันได้แต่แท้จริงแล้วอาจไม่รู้จักมันเลยแม้แต่นิดเดียวคำพีเตาแตกเก่งไปไกลกว่าการกล่าวถึงอากาศสาตว์ เหล่าจื้อพยายามใช้ภาพของความว่างอันเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งความว่างที่ไม่ใช่เพียงช่องว่างอย่างที่เราเห็นด้วยตาเปล่าอยู่อย่างนี้ดังท่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเต๋าเป็นอะไรที่จ้องมองแต่มิอาจเห็นนีเรียกว่าไร้รูป วิธีฉายภาพของเหล่าจื้อคือการร้อยเรียงคําสร้างวลีชวนฉงนเพื่อตบหน้าผู้อ่านที่กำลังหลับไหลยึดมายาฝันตรงหน้าให้ตื่นขึ้นรู้จักความจริงและท่านก็ไม่เกรงจะถูกเาร้อยเยาะดังที่ดักคอไว้ว่าเมื่อคนในระดับสูงได้รับฟังเต๋ก็ปฏิบัติตามอย่างมีมานะเมื่อคนในระดับปานกลางได้รับฟังเตา๋า บางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจเมื่อคนในระดับตำสุดได้รับฟังเตา๋าก็ัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังสำหรับผมเมื่อสำรวจตัวเองในขณะนั้นก็ไม่รู้จะจำแนกให้ตนเป็นคนระดับใดดีทราบแต่สนใจใครรู้ และไม่ได้นึกอยากหัวเราะเยาะแต่อย่างใดและท่านเหล่าจื้อก็ไม่ได้จำแนกว่อย่างหนึ่งคือพวกที่ไม่รู้จะปฏิบัติตามวิถีแห่งเต๋าอย่างไรแต่อ่านเตา๋าอย่างนึกว่าเข้าถึงแล้วจะกลายเป็นพวกหลงตัวสำคัญตนผิดคิดว่ารู้มากกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นดังเช่นผมที่อ่านเตา๋าแล้วกลายเป็นพวกหลงตัวเข้าให้เต็มป่า บทความโดยดังตรินจากนิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่66เสียงอ่านโดยโจโฉ